ทีน่นี้ผมก็ยังไม่ทันงอกมากดอกเพราะโกนใหม่ๆเราจะโกนผมให้เป็นพิธีท่านเจ้าคุณทำให้เกียรติก็โกนผมให้จะโกนผมให้เป็นพิธีเพื่อเป็นเครื่องไม้บวชเพื่อมาเป็นเครื่องมยย้ยติเมื่อท่านเจ้าคุณทำให้เกียรลงมือโกนผมให้เองไม่ใช่คนอื่นโกน เราก็นึกเคารพท่านอย่างยิ่งที่นี่พออุปสมบทแล้วแล้วก็ไปกวดดูบุพชิขาวรัน น, นาท่านเจ้าคุณทำให้เจดีย์ทำถูกพระ ม, นมีนายมากหน้าผู้ที่มีเกลียดผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนาพระอุปชาต้องลงมือโกนผมให้เอง เพื่อจะได้แล้ลึกถึงคุณกันท่านในบอกอย่างนั้นต่างคนก็ต่างจะได้เคารพรั ก, กันเออท่านทำถูกท่านในเรายิ่งเคารพนับถือกันทีนี้วิชาของเราไม่ใช่คนมิถาทิติลูกชายทั้งสามคนจะบวชหมดก็ยอมให้บวช แต่ขอให้บวชจริงๆขอให้ปฏิบัติเวลาชื่ออาจารย์คูนสเวีดวงศ์เป็นคนโบราณจมูกโด่งๆเอวรัดๆอกภายลายฝึงลูกทั้งแปดคนในเรือนนั้นทิดสิงพี่สาวศรีดา ทิศทองดีผู้ใหญ่บ้านพี่สาวบุญมีพี่สาวจันทีพี่สาวแก้วพี่สาวแหวนตัวของเราก็ชื่อล่าเพราะเกิดทีหลังเขาทีปีจึงร่วมกันเวลาเรามาอุปสมบทนี่ ล้วได้ทําชาพระนิกิตวิดามันดาครบแล้วใชน่ภาภาชนี่ใช่ศีลองท่านครบแล้ววิดาของเราสิ้นพระชนสิ้นชีวิตโรคชลาอายุแปดสิบวันนี้พ่อเหนื่อยมากลูกๆอย่ามาลบกกวนให้พ่อดื่ม น, น้ำพ่อจะภาวนาส่วนภาวนาก็ ภาวนาตามบริกรรมเฉยๆแต่ครั้งมากนิสัยของวีดาตื่นขึ้นมา ต, ต, ต้องก alors, ต้องกราบพระซุกบๆุๆบซุุเชี่ยก่อนจึงไปทำงานก่อนเจนอนก็กราบพระซุ๊บุบบริกรรมซุ๊บๆุุเชีายก่อนจึงยอมนอนถ้าไม่ได้กราบพระไม่ยอมนอนถ้าไม่ได้กราบพระเชี่ยก่อนก็ไม่ยอมไปทางอื่นมีข้อวัดไปจำตัวเป็นคนสัตว์ซื่อมาก เรื่องรักๆไม่มีในประวัติของบิดาเลยเข็มเล่มหนึ่งก็ไม่มีจะทุกข์จะจนสักเพียงไหนก็าตามลูกชายสามคนไม่ยอมให้คนอื่นบวชให้เราไม่ใช่ผีบ้าท่านพูดจะให้เรื่องลูกยากแก่ตายไปให้คนอื่นบวชให้ไปให้คนอื่นอุปสมบทให้ถึงจะมีเงินเพียงแค่บวชก็ต้อง ท, ทุ่มเทใส่หมด จะยากจนสักเพียงใดก็าตามอย่ามารบกวนให้เบดาดื่มน้ำนะวันนี้เบิดาจะทิ้นลมฟานในเวลาตอนเช้านั่นเองรู้จักดีรู้จักด้วยเพราะด้วยการคาดคะเนอยู่ด้วยการชำนาญการพูดอย่างนั้นเพราะธรรมดาคนเชลาภาชเวลาไฟธาตุเผาเฉลตมันเหนียว มันก็ขากไม่ออกถ้าขากไม่ออกมันก็ขึ้นลงปราณกานพูดอย่างนั้นตอนเช้านี้เองพ่อจะไปอย่างเงียบๆจงดูนะดูแต่ห้องแตตานะอย่ามารบ ก, กวนให้พ่อกินน้าเนื้อต่างความก็ต่า ง, ง, าางดูวิดาห้องตนวิดาพ่อหายใจนอนตะแคงข้างขวาทางเดียวจนถึงตลอดร่ม พอถึงเวลาที่ท่านนันหมายเพราะนานิกาไม่มีคนมานอกก็ถูกเพลงเลยไป เ, เงียบเงียบจมูกลงโลกคนขาวเหลืองท่านเจ้าคุณธรรมเจดีได้ทราบขา่าวบอกว่ามดบ้านกุศลษษนั่น มีโยมจานคูลคนเดียวมีสติตายนอกจากนั่นไหเท่าโยมจานคูลชื่อคูนเสวีกรมาันดาเขาชื่อแพงมันดาก็ตายขาพุทโธเราเป็นมหาเนกายอยู่นี่มารดาแล้วเที่ยวปเทศบันดาเสมอๆโยมมันดาจ้องพอมานาพุทโธเนะ้อ นึกสบัดต่ อ, อมภาวนาให้ฟังภาวนาให้ฟังเนี่ยหัวลงอย่างนี้พุทธโธพุทธโธแนวหยุดบรดิกรรมเน้อแนวหยุดบริกรร ม, หรรรมให้ออกปากอย่าออกปากอย่าให้เลี้นกระดุกเลยพุทอยู่ข้างในพออยู่ข้างในอย่าพุทออกข้างนอกเนอ้อพุทก็อยู่นี่โทก็อยู่นี่ ให้สังเกตอยวนี้ให้จ้องอยู่นี่เนอ้อเพราะผู้นี้เป็นผู้ว่าพุทธผู้นี้เป็นผู้ว่าโทก็ให้บุริกรรมอยู่ข้างในเนอ้พอเพราะพุทธโทแปลว่าผู้รู้ธโมะแปลว่าทรงไว้ซึงผู้รู้สังโฆแปลว่าปฏิบัติผู้รู้ก็ปฏิบัติอยู่ที่ในนี้เองก็รู้อยู่ที่ในนี้เองก็น้อมมาที่ไหนหนี่เนอ้ออย่าส่งออกเนอ้อเนื้อคงไว้อย่างนี้ตอบอย่างนี้ ตาก็จ้องดูกันจ้องดูกันอยู่ทั้งลกูกทั้งหลานทั้งพี่สาวมารดาเมลาก็ไปสงบเลยจากนั้นเพียงห้านาทีนั้นพี่ชายเนนี่ผู้ชื่อทองดนะีคนเป็นโรคอะไรไม่ทราบสมัยสองพันอายุของอาตมาสมัยนั้น มีเพียงยี่สิบสองปีมีครอบครัวแล้วไปเฝ้าพี่ชาย พ, พี่ชายป่วยเฝ้า พ, พี่ชายอยู่เดือนหนึ่งไม่ได้ไปอะไรเลยทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ลูกเมียเขาก็ไม่เอาเรื่องมีอะไรเขาก็หายอยู่สู่กันกินเขาไม่ได้เอาเรื่องจะต้องไป พยาบาลพี่ชายอยู่ตั้งเดือนเขาก็ไม่บ่นว่าอะไรเขาดีมากเมดาจะตายพี่ชายนันเป็นโรคข้างแรกก็ถ่ายท้องธรรมดาอย่านี้อยู่มาอยู่มานี่ก็น้ำถ้าเอาน้าไปให้ก็อาเจียนออกก่อนเนี่ยข้าวไม่รับเลยทนทรมานอยู่ หนึ่งเดือนแห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งลงน้ำก็ไม่ดื่มข้าวก็ไม่ทางทนอยู่เดือนหนึ่งแห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งลงแห้งลงคนโตพึงพายสูงใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้าน เวลาจะสิ้นลมปานก็นับมืออันนี้นอนตะแคงข้างขวาแล้วลบมือนอนตะแคงข้างขวาน อ, อย่ามาผูกมือพี่เนื้อพูดพี่นับเอาเองแล้วไม่ต้องผูกหรอกพี่นับมือเอาเองแย่อย่ามาผูกมือติดข้อกันทำเนียมของพระอีสานคนตายต้องผูกมือให้นก ถ้าหากว่าเรามีชาติมีพบอยู่ชาตินี่ได้ร่วมกันเท่านี้แล้วชาติหน้าพวกเราถ้ามีชาติมีพบอีกพวกเราจึงร่วมกันน่าคุณพี่นะไ ม, ไม่พอห้านาทีก็ไปเลยเงียบสงดเลยในเวลาที่ป่วยอยู่นั่นพี่ฝันว่าพี่ได้เหาะขึ้นบนอากาศ พี่คงไม่ยังเหลือดอกพี่เหาะลอยไปบนอากาศนิสัยพี่เป็นคนใจบุญมากมีเงินบาทเดียวถ้าไปพบกองบุญเขาก็ถ า, านซ้ำไม่ยอมกินอาหาร <c oughs> เป็นอย่างนั้นไปพบกองบุญที่เขาผ่านหน้า ตั้งใจว่าจะเข้าไปในเมืองนี้จะตั้งใจว่าจะไปอะไรมีเงินอยู่ในกระเป๋าบาทเดียวถ้าบาทเดียวถ้าไปพบเขาทำบุญก็ถวายก็อนุโมทนาเลยเป็นคนมีศรัทธามากวิดามมนดาก็เหมือนกันนิดสขยงล้องหลวงปู่มันเป็นมาแต่เล็ก ไ, ไปเห็นวัดเก่าที่มีป่าขึ้นสงเสงไปเห็นก้อนอิฐไปเห็นก้อนกรวดไปเห็นวัดเก่าวัดโบราณมันไปนั่งอายุเจ็ดปีไปนั่งพิจรนารณาอยู่คนเดียวมันเข้าไปเล่น พระวัดอยู่ตามริมบ้าทตามขอบบ้านมันมีมากแต่ก่อนเพราะมันเป็นป่ามากมันปรุงแต่งของมันเองท่านคงแกะทองหนังสืออยู่ที่นั่นท่านคงจะเทศอยู่ที่นี่ท่านคงจะเดินจบกรมอยู่ที่นี่ก็ามานึกไปนึกมานึกอยู่คนเดียว น้าตามันไหลก็เลยมันเป็นมาอย่างนั้นนานแล้วนึกถึงเรื่องพระบรมศาล า, ศ า, ศาข้างๆเขาก็น้าตาไหลนิสัยเป็นมานานแก้ยากอันนี้นใสัเป็นมานานน้าตาไหลเลย พูดปลาปาลบเรื่องหลวงปู่มัน่นมันก็กลายเป็นประวัติของตัวในตัวเพราะเหตุใดเพราะอย่างนั้นมันก็ไม่สมดุลกันไม่สมดุลกันเพราะเกี่ยวเนื่องมาอย่างนั้นวิชาหลวงปู่มัน่น น้ปูนันไม่ใช่ของง่ายง่าย้องูมาหาเขียนประวัติขององค์ท่านไม่ได้เขียนแล้วไม่ได้เขียนตรงไปตรงมาเหมือนเห็นตรงถ้าเขียนตรงไปตรงมามันก็กระทบกระเทอือนโลกปัจจุบันถึงอย่างนั้นมันก็กระทบกระเทอือนอยู่ส4 8 9้แปดสิบ้ามีพระ เทสะสององค์มานั น, นภาพการทรรชาตภน ก, กิจทำอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็ไม่อธิบายถ้าอธิบายมันก็กระทบ ก, กระเทือนโลกปัจจุบันท่านฉลาดมากความจริงแล้วสิ้นลมปานในเวลาเช้าฉันจังหันแล้วท่านกระชูไปเผาที่ริมวัดพวกเราขี้งูพากันมาตายเผาเล่นเฉย เอาไปเอาไปพอเผาเนี่ยก็มาในภ า, าพระทีซื้อสวนมนต์อะไรหรอตอนเย็นมาก็าอะไเข้าเดินโยกมภาวนานั่นอาจารย์ไฟเผาแดงลุกอยู่นันเดี๋ยวจะตายเผารีบทำกวามเพียรไปอย่างนั้นหลวงปู่มันองค์ที่สองก็ทำเหมือนกันอันนี้มันเป็นพยานหลวงปู่มันอยู่ น, น เพราะท่านเหล่านี้ตายก่อนหลวงปู่มั่นในยุคบ้านหนองผือเมื่อหลวงปู่มั่นทํากับลูกศิษย์อย่างนั้นองค์หนึ่งก็สิบแปดพันษาแล้วองค์หนึ่งก็เก้าพันษาแล้วทำเอกองค์เก้าพันศาแล้วทาเอกก็อยู่อําเภอลำพุกเดี๋ยวนี้กลายเป็นอําเภอป่าติวแล้วนี่จังหวัดยะโสองค์สิบแปดพันศาเขาอยู่บ้านโคกนามน ดูที่วัดดอยทำให้เจดีท่านอาจารย์เบนทุกวันนี้ทั้งกระเพา์ถวายพระเพึงในวันนั้นถ้าพระพาณีถวายพระพึงในวันนี้นพพนนถนน้ามันจะเก็บสึกไว้นี่ก็สอแสดงให้เห็นเป็นพยานว่าที่ว่าพระ อ, อาจารย์มันไม่ต้องการเอาศพไว้นานก็เอานี่เป็นพยานแล้วนี่ได้ความชัดแล้วนี่หลวงปู่มหาก็เอ่อยอยู่ว่าเอ่อยเป็นพยานอาตมาไว้แล้ว ในชุดบัาน้องผือก็มีพระมา น, นะภาพสององค์แล้วกันเลยไปทางอื่นไม่ได้อธิบายเรื่องชาติกิจถ้าอธิบายมันก็อธิบายไม่ได้มันกระทบกระเทือนโลกปัจจุบันถึงอย่างนั้นมันก็กระทบกระเทือนอยู่เหตุฉะนั้นการเจ็บศพไวานานๆมันเกิดขึ้นที่หลังหลวงปู่มั่นนี่หรอก เกิดขึ้นที่หลังชาบฏิกิริหลวงปู่มัน่นการเก็บศพไว้นานหลวงปูมั่นไม่ส่งเสริมเพราะสมาธิสมาบัติของใครของมันก็จะได้ไปเพราะมันไม่ใช่ผ่านเบ็ด่านแล้วจะมาดักทำไมก่านพูดอย่างนั้นถ้าเป็นฆราวาสของเขาก็เป็นสถานหนึ่ง เพราะเขาถือเอาเกยียรติอายดพระของเราขอคนอื่นเรื่องชีวิตจะเอาไว้ทำไมท่านพูดอย่างคาราวาของเขาเขาเอาเกยียรติอายดเอาตามฐานะ่ะถูกแล้วท่านพูอย่างผั้หลวงปู่่ไม่มีที่แซงท่านพูยง้น ท, ที้นี้เราเห็น คนอายุสามสิบเมื่อเห็นท่านถวายพระพึงพระสององค์นั้นเร็วในวันนั้นเราก็นึกปลื้มปิดจิตด้วยปลิ้มใจของเราอะพระอาจารย์ของเรานี่ไมได่ดับเอบกินกับศพ ข, ของลูกห ล, ล, ลา น, ลานเพื่อจะเอาไว้เป็นเครื่องขูดเก่าของญาติโยมประการในประการหนึ่งโดยทางตรงและทางอ้อมล้ว พระอาการของเรานี่มุ่งทาเป็นส่วนมากไม่ได้มุ่งเป็นไปในต่างโลกเรายิ่งเกิดปีติยินดีแทนที่ว่าเราจะตกใจเออเมื่อข้าตายท่านก็จะทําอย่างนี้นะเออเราไม่อยากดูกับท่านหรอกแทนที่เราจะนึกอย่างนั้นเราไม่นึกเสียยิ่งถูก กับใจิตใจของเราอีกด้วยท่านเชื่อกรรมและผลของกรรมของตนที่ทำดีแล้วก็นึกเห็นดีกับด้วยท่านทีนี่เขาก็ปล่อยให้เรามาบวชทีนีญาติโยมทั้งหลายเขาก็ว่าการบวชนี่ได้บุญมากแล้วได้อานิสงส์มากแล้วเราจะให้คอยให้โยมทำบุญอุทิศให้ แม่งก็โดนว่าพิ่เจรนาอยากอยู่เหมือนกันที่นี่ <c oughs> ถ้าเราทําบุญที่ทายมมันก็ถูกอยู่โยมทมําบุญที่ให้พระนี่ก็พระก็ปล่อยให้มาบวชแล้วทําไมถึงไม่สร้างเอากุศลอเราก็นึกไปอย่างนี้แต่ว่านึกมากไม่ได้มันไม่ถูกทีนี่จะคอยเอาบุญกับใคอีกที่นี่ มาอยู่นี่ก็เกิดปัญหาอยู่กับบ้างเล็กน้อยนิสัยของเราไม่ไม่ชอบวุ่นวายนิสัยของเราหลวงปู่องแก้วที่อยู่นี่ห่างจากนี่ไปทางสามรอยเส้นท่านล่าลางจังหวัดเข้ามาทอดกระถิน นิมนท่านมาเป็นประธานดูแล ก, กับผมด้วยโอกาสพระอาจารย์กับผมไม้มาหรอกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการทอดกระถินเขาก็หมายว่าจะให้รางวัลพระผู้ที่อยู่จำพรรษานั้นมีพระเทใดเขาก็นับไปแล้ว ที่นี้จะให้กระผมมานั่งให้เขาดูหน้ากระผมไม่มานะถ้าหากว่าศรัทธาเดิมเขาบอกว่าพระอยู่ที่ภูจก้อนั่นก็ให้นิมนต์มาด้วยนิมนต์พระอาจารย์กอพระอาจารย์ขอมาด้วยมันก็เป็นสถานหนึ่งพวกเรานิมนต์กันไปต้มให้เขาดูหน้าเราไม่เอาเขาก็ว่าเราเอาอยู่เหมือนกันกระผมไม่ไปดอกโอ้ท่านพูดอย่างนั้น ผมก็ไม่มีสิ่งที่จะติดท่านนะก็เลยไม่ไปหรวปู่มันเคยเทศบ่อยเขามาที่วัดไหนก็ต้องทอดที่วัดนั่นก็ทำกันไปที่วัดนั่นไปยุ่งกันทำไมท่านพูดอย่างนั้นหลวงปู่มันชอบยุ่งทำไมเฮกินขนมกันพระบ้าท่านพูดอย่างนั้น ว่ปู่มันถ้าเขานิมวลมันก็เป็นสถานหนึ่งท่พูดอย่างนั้นเพราะอได้ยินที่ไหนก็ไปหูดีหางดีหูดี ห, า ง, ด ห, ดหางแสมท่านพูดอย่างนั้นว่ปู่มันที่พระวินัยบอกว่าภิกษุใดไม่มาดูการกระถินจัดเป็นอาบัตทุกกฎพระภิกษุใดไม่ไ ม, ม, ม่มาตัดมาย้อม มาทุระในช่วยงานกระถิ่นแบบอวัตถุกฎก็หมายเฉพาะพระผู้จําพรรษาอยู่ในที่นั้นไม่ได้หมายอยู่ในที่อื่นท่านพูดอย่างนี้หลวงปู่มัน่นไม่เหมือนเราทุกวันนี้เราทุกวันนี้ถ้าทอดกระถิ่นที่ไหนก็เฮกันกินขนมกันวุ่นวายกันหมอละหมูอืมมันแปลกเหมือนยุคหลวงปู่มัน่นฝ่ามือกับล้างมือทุกวันนี้นี่นี่นี่ ดูฟ้ามันก็ไกลกันริบหรีนี่ถ้าเราพูดมันก็เป็นเสี่ยนนา้าถ้าเราไม่พูดกิเลสมันก็อยากพูดทีนี้ ฟังออกไหมสิงคโปร์ออกบ้างนะเรามันทุกมาแล้วในวัฏจัทรสงสารอันนี้เรานึกว่าไม่มีใครทุกเท่าเราในวัฏจัทรสงสารอันนี้ท่านองค์อื่นก็มีสง่าราศีหมด เราเป็นกรรมทุกข์ไม่ใช่กรรมฐานโสเป็นโสตายปีนปลายขึ้นเขาอยู่นี่ตั้งยี่สิบหกพันษากาเพราะกรรมของเราด้วยและผลของกรรมของเราด้วยแล้วเราก็โสเป็นโสตายด้วยนี่หลวงปู่ฟันท่านก็มาด้โสเป็นโซตายทั้งเพียงนี้พออดน้ำท่านก็ไปอยู่วัดอุดมสมพรท่านมาเป็นพี่บ้ามันก็เป็นพี่บ้าแต่เรานี่ล่ะ ใบบินทบาทดินรับราบเดือนหนึ่งก็ไม่เท่าปีนป่ายขึ้นไปวันเดียวนี่ต้องใช้กำลังมากไงทีนี้บางท่านบอกว่ามันจะไม่เหิอเหมืมลืมตัวหรือไฟฟ้าก็เอามาในวัดอะไรก็เอามาในวัดไ มันจะลืมตัวยังไงพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแท้ๆไปมันก็ยังจะตกเหวตายอยู่มันจะลืมตัวไปที่ไหนบอกกูอย่างนั้นวัดหลวงปู่มหาก็ไม่ได้เอาไฟฟ้าเข้าวัดของเราเอาเข้าหลวงปู่มหากว่าดินราบท่านสนุกพอแลว้วเราทุกข์จะตาย มันเป็นคนรัชฐานที่บอกข้ามูว่าพูดข้ามใูให้หมูฟังหน้าก็คอยกินหน้าฝนปีไหนฝนมาดีไม่ดีก็คอยเหมือนกบน <c oughs> มันมีบุพกรรมเหมือนกัน มุปกรรมอดน้ำก็มีในปัจจุบันรู้จักมันอยู่มุปกรรมอดน้ำมันเห็นในปัจจุบันใมชาติถ้าเป็นเด็กชอบไปวิทยปลาเลี้ยงโรงเรียนตองไปวิปลาวิตน้ำออกจากเขานี่มันก็อดนา้าพอดีมันแล้วเวลาทำมันก็พอใจทำ เวลามันได้รับผลมันพอใจได้รับผลไม่ว่าทางดีทางชั่วมันพอดีกันดวงหน้ามันกรรมและผลของกรรมเห็นไในปัจจุบันได้แท้ ข้ามูเขาทอยจังหวัดพังงาคนเดียวเขาจะส่งไปทางเรือทีนี้ถ้าจะไปทางเรือเขาต้องผ่านตลาดนี่มลหลวงพ่อไปตลาดจะส่งขึ้นเรือไปทางทะเลในเออก็จริงอยู่ แต่ว่าสภายบาทพระลุงพะละางเข้าในตลาดจะมาไปๆหอกจะข้ามเข้อทอยที่นี่เลยมีคันทางไหมมีมีพอถันมีถ้าไทยภาพได้มีมีพอถันมีเขาก็บอกคันทางให้แล้วอ่ะฉันจะหันแล้วก็เป็นใจเขาเขาจะไปส่งบอกให้เขาคือแล้วก็ขึ้นไป เรียกว่าเขาถอยขึ้นไปสองสามโมงเช่าตั้งหน้าขึ้นเขาคนเดียวในจังหวัดพังงาถ้าจะข้ามมาทางจังหวัดกระบี่ทางนี้ก็เอากดแบกกดทางนี้สะพายกดไม่มีนะครัง หลวงปู่ไม่ที่พระมาทํากันพีบา้าข้างหลังสะพายเหมือนปืนกลมันไม่ใช่ดอกอื <c oughs> ประหัดเพียงพีบา้าทำองเพนพาเขาทำแต่ก่อนไม่ได้สะพายเหมือนปืนกลดอกอเบรกกันทั้งนั้นแหละเหมือนรูปที่หลวงปู่เทศพิมพห น, นึ่งถูกเลยท่านทําตัดจานวนพวกพายท่านจึงเบรกไว้ เดี๋ยวอาการแบกกดมันจะกืนกินหมดมันจะมาพายเหมือนปืนเนี่ยทำไมหลวงปู่ไม่ไม่ได้พายกันนี่มันทำไม่เดี๋ยวมันจะกืนข้อวัดข้อเก่านี้หมดนี่เห็นใช่ไหหลวงปู่เทศจึงพิมพ์หนังสือเรื่องแบกกด ตัดจำนวนพวกนี้ไว้นี้มันเป็นนโยบายของท่านหลวงปู่เทศไม่ใช่คนงงโง่เงนี่ย <c oughs> ทำทำมีประโยชน์อยู่เหมือนกันเพราะขึ้นเขาขึ้นเขามาถึงขึ้นเขาคนเดียว mm. <c oughs> นิ้วหน้ามาก <c oughs> ฉันฉันริดเลยทางนี้ก็สะพายบ่า ว่ายผต้องเฉียงบ่าที่ถ้าจยางนั้นมันมันมันมันรุดบ่าลงย่ามก็ยัดใส่บา่าตัดบริขารเล็กๆไม่ต้องผลุงพลังทั้งสองทางตัดบริขารออกผ้าสบงก็นุ่งแต่เฉพาะผ้าขันพื้นเดียวถ้าอาบ พ, พื้นเดียวต้องหาอบายสองน้าแต่หัวค่ําเผื่อจะเอาเป็นผ้าผูนอนด้วยผ้าปกหมอนด้วยในตัว ผ้าเช็ดบาทด้วยในตัวผ้าเช็ดหน้าด้วยในตัวเอาพื้นเดียวนั่นเองเพื่อจะตัดบริการให้น้อยลงมาจากจังหวัดพังงาครับจากจังหวัดพังงาคนเดียวพักมาเป็นลําดับลําดับทําไมเราจึงมาแบบนั้นมีปัญหาสอดเข้ามาอีกถ้ามาต่อหน้าเขา เขาก็จะส่งค่ากลับให้แต่เขากลเวงอยู่ท่านต้องนิมนท่านกลับมาจำพรรษาที่กระโสนอีกเขานิมนอย่างนั้นเออในข้างหน้ามันเป็นอนาคตเป็นทรรอนาคตเพราะมันมีหลายบางทีขอให้มันถึงวันเชก่อนเถอด จึงพูดกันไหวบางทีรับแล้วไม่ได้มามันจะเสียสักจากเขาก็สงสัยทีนี้เวลาเราออกเที่ยวตาเขาก็สอดตามหลังสมุกสนุกสนุกเราก็มาพักอยู่ทํำกันจังหวัดพังงานคนเดียวสองเดือนแล้วไม่รีบด่วนมาเลย สเดือนอยู่คนเดียวมือเสือเอาเอาคนไปกินพระธรรมเนียมเขาตัดยางเขาเอาไฟมดัดสายหน้าผากไว้แล้วเขาก็ไปตัดยางแต่เช้าเพราะสายมามันไม่ออกเขาไว้อย่างนั้นตัดแต่เช้ามันจึงดีเพราะมันเสือเอาคนไปกินตามตีนเขาลนะ่ะ เราไปบินถาาทเขาก็บน่นเออเสืออยาเอาท่านพ่อไปกินเนอะเขาก็บน่นเขาอธิษฐานแต่ก็ไม่เห็นมาไม่ไม่มาหาเสือถ้าอยู่นั่นสองเดือนก็ลาเขาข้ามเขาทอยเขาก็ไม่อยากให้มาพอลาขเขาข้ามเขาทอยแล้วก็ พอมาถึงกลางเขาท อ, อยเหนื่อยที่นี่ยังไม่ถึงหลังเขาเออมันชันอย่างนี้นี่เราจะทำยังไงเนอะที่ไหนมันเป็นขุกครักบ้างก่อนหินหลังนี่ทางปีนขึ้นอยู่้างนั้น กอาพออาไปเอาเท่าย th ันอย่างนีน anger, นน้ п. แล้วผิวหน้าลงทางนั้นแล้วอันนี้ก็เอากดหนีบนี่ก็บานก็หนีบนี่แล้วก็ดูอย่างนี้นี่น้ามก็ไม่ได้ดื่มที่นี่ออกจากนั่ น, น, น <Wow. S 3> แล้วก็จะขึ้นไปสัาพักนานก็ไม่ไหวละที่นี่เพระมันยังไม่ถึง บนหลังเขาค่อยพริกมาค่อยพริกมาค่อยพริกมาค่อยปีนขึ้นไปจนถึงหลังเขาพอถึงหลังเขาก็เที่ยงวันทีนี้ <c oughs> พอถึงหลังเขาเที่ยงวันหลังเขานั้นประมาณกว้างประมาณหนึ่งเส้นแต่ยาวเหยียดเต็มที ยาวเหยียดแต่เราตัดลงทางนี้ทางทิ่ตะวันออกไปทางจังหวัดกระบี่เวลาลงที่นี่เอออั น, นิจจาเออฉันเหมือนกันต้องค่อยลงต้องห้ามลอดที่สุดพอถึงตีนเขาหน้าไม่ได้ดื่มวันนั้นพระอาทิตย์ริบหรี่ิบหรี่นาฬิกาก็ไม่มี เพราะไม่มีนาฬิกาเลยเพิ่งมามีอยู่ในที่นี่เท่านั้นแต่ก่อนไม่มีไม่ไม่มีนาฬิกามีแต่นาลิใจกับนาลิพระอาทิตย์พระจันทร์เท่านั้นเพิ่งมามีอยู่ที่นี่และนาฬิกามีผู้ให้ทานบ้านตกปีนเขาก็ค่าำพอดีมีสองสามบ้านหลังคาเรือน นะเป็นป่าแล้วเหมาะก็มองคืนหลังเอออาจารย์เขาถอยอขออย่าให้ข้าพเจ้ามีพบมีชาติอีกเน้อจะลาเขาถอยเช็ดลาบแล้วจะไม่มาเปียป่าอีกแล้วอาจารย์เอยปลาลุกก็เขาถอย อาจารย์เคหลาบก็คือเขาถอยฟารลบตนเองอาบน้ามู่คนเดียวอย่นี่นี่น้าหลายหน้าเป็นก็นอนอยู่ที่กระอบแห่งกระอบเล็กๆของเขาที่มีทุ่งนิดๆอยู่ที่นั่นไม่กว้างบ้านเขาอยู่ยังอยู่ไกลอยู่แล้วสังเกตดูในกระจบของเขาไม่มีอะไรอยู่ที่นั่น ก็มีแต่กระบอบว่างถึงเขาถึงเราจะพบเจ้าของเขาเราจะขออภัยเขาถ้าเราไม่ได้ทำวุ่นวายพรนคือตื่นเช่าก็ไปบินทถือพราเขาเขามาส่งเป็นตัวสายหนึ่งนี่าถามเขาว่าคุณโยมคุณโยมที่นี่มีตำมีตาพระ พักไหมเขาบอกว่ามี่มี่พอทานมนี่เขาบอกเขาก็พาไปเขาพาพาไปเป็นหุูเขาเข้าไปนี้เป็นหุูเข า, ขา เ, เ ข, าข้าไปแต่ไม่ไปบ้านเป็นหุูเขาทางนี่ก็มีน้ํามีท่าท่าคล้ายๆกับตัวปิงนี่ตัวเล็กๆนิดๆเข้งแดง กัดเหมือนปิงกัดกินเลือดที่หุกเขามีรอยเสือรอยสิงรอยงูลงกินน้มสาธพพัดน้มในทีน่นี้มันเป็นน้ำซึมต่างหากอากากน้ำซึมมาก็ประมาณหกเจ็ดว่าก็เป็นถ้ำเข้าไปในนี้ มันก็เป็นกณ ะ, ะเทศะมีรอยมีมีรอยเสือมีอะไรต่ออะไรสารพัดอยู่ที่นั่นแต่ยังไม่เห็นตัวมันมันลงมากินน้ำเห็นเห็นตลรอยข้ามาัน <c oughs> ที่นี่ก็เขาก็จะทำกระต๊อบให้จะทำล้านให้เออไม่ต้องรีบทำนอกยมเอย ไห้สังเกตดูเสียก่อนต่อ ว, วันหลังถ้าหากว่ามันอยู่ได้ก็จึงทำอาตมาจะไปบินธบา่าเวลาอาตมาไปบินธบา่าอาตมาจะบอกววันนี้พากันกลับเสีทีนี่เขาก็กลับไปพอถึงพกค่ำทีนี้ก่อนที่เขาจะกลับไปเขาก็เอาใบไม้มาปลูกลานให้ ปูดินนี่ครับแล้วก็กางกดที่นี่อันนี้เป็นรูตามหินตามอะไรลวมบาทลวมอะไรคุกขับมาที่นี่เป็นหน้ามีมทากดังกล่าแล้วดีเป็นซอกเขาเข้าไปที่นี่พอถึงพบข้าเราจะนั่งภาวนา แล้วก็ทบปะงกที่นี่เออเราก็มาอยู่คนเดียวมมัไม่ใช่บ้านเมืองและถิ่นเดิมของเราที่อันตรายมากทำไมเรางงเหงาว่านอนพอนาะไม่ได้ความเลยวันนั้นไม่ได้ความเออ ถ้าอย่างนั้นเราก็จะกราบพระละเราจะนอนมันต้องการนอนก็ให้มันนอนกราบพระนึกจะเลืลึกถึงผ่าหงสวดผ้าห ง, าห ง, หงะะเออเราทำไมเป็นอย่างนี้เนอะ เราจะตัดสินพิจารณายัางไงจะเป็นผีหรือจะเป็นอะไรมาทำเรานะเราไม่ใช่คนถือผีตอบตนเองทีนี้นี่นี่เราเรียกว่าอากาศทึบมันง่วงตอบตนอย่างนั้นอากาศทึบก็เลยนอน น, นอนก็หลับสนิท ต, ตื่นขึ้นมาก็มดจอทีนี้ เพราะเขาตัดใบ ไ, ไม้ไปปูมดมันก็ไมจ่จอกริงก้านของเขาที่บาดแผลที่เขาตัดใบไ ม, ไม้เนี่ยจออย่างนี้มากัดตามนี่ก็ตื่นขึ้นมาก็สะพายบาดแล้วก็ไปถามเขาบ้านจย่งกลับไปบินทบาทเขาบอกว่านิมนบินทบาทก่อนแล้วก็บอกว่า ที่นี่ต่อไปมีบ้านไหมไม่บ้านไหมเขาก็บอกว่ามีจำบนเขาเท่าพอไปถึงจะสายขนาดไหนเขาก็บอกว่าในระหว่างสี่โมงเช้าขอพระผู้เป็นเจ้าได้อยาได้ไปเถิดเขาก็บอกจงชั้นบินถ้าบานบ้านกระผมนีม่เสียก่อนบินบถ้าบ้านเีก่อน บอกเขาว่าที่นั่นอาจะมาอยู่ไม่ได้เพราะมันง่วงมากง่วงเหงาเฝ้านอนนอนหมดคืนเมื่อคืนนี่ภาวนาไม่ได้ความอะไรอย้ที่นี่เมื่อเขาวิ่งวรนไม่ฟังเราก็ฝืนไปนี้เขาก็ไปสูงประมาณหนึ่งเส้นก็มีน้ำไหลลงมาจากเขาทอยขนาดเอวเนี่ย ร้เย็นช่วยเลยไปอีกประมาณยี่สิบนาทีก็ตกทุ่งถามเด็กคนหนึ่งว่านี่หรือตะบนเขาเท่าเขาบอกว่าเขาก็บอกว่านี่แหละแต่เขาพูดภาษาภาคใต้ เขาก็ไปส่งที่ถ้ำเขาเท่าเองพอไปส่งถึงถ้ำเขาเท่าแล้วเรามาดีฉันจังหันมันก็เป็นเวลาสายเกินไปแล้วก็ถามว่าท่านพ่อฉันอาหารได้หรื อ, อยังก็ ต, ตอบเขาว่ายังมาในฉันดอกแต่ลูกพ่อ ไม่ได้เกี่ยวหรอกเพียงวันเดียวก็อดทนได้หรือสองวันสวันก็คืออดทนกันอยูย่เขาก็ไม่ยอมเขาก็เลยเอาพปนโตมาให้ซ้ายหนึ่งแล้วก็เลยเปิดบาทออกให้เขาใส่ชั้นประมาณนี่เราก็หยุดที่นี่เขาก็กลับบ้าน เพราะมันมีเตียงอยู่นั่นเองเตียงอยู่ใต้ถ้ำเป็นเงื่อมผาเนี่ยมันสูงมันสูงขนาดสอกเลนี่ใบไม้ก็พัดได้ถึงเพราะมันเตียนดีเพราะมันเป็นเป็นเงื่อมผ า, าที่ลึกเข้าไปในที่แห่งหนึ่งก็มีเป็นที่ที่วงสรวงเขาวงสรวง ผีเขากั้นผ้าแดงๆไว้ใต้ที่บวงสรวงเขานั่นเป็นรูเป็นโพรงหินเข้าไปลึกเข้าไปในถ้ำเข้าไปในเขาแล้วก็นั่งอยู่เตียงนี่กดเราก็กางแล้วลลนะแต่ว่าเราลื้อขึ้นเราไาในมุงเรานั่งอยู่เตียงนี่เตียงนี่ เราจะพินหัวไปทางไหนนึกในใจทีนี้เราไม่ต้องพินหัวไปทางอกระต๊อบผีละเราพินไปทางทิศเหนือเสีย น, นึกอย่างนั้นทีนี้ก็เลยพินหัวไปทางทิศเหนือเราภาคหมูมานานแล้วเป็นเวลาสองเดือนปฏิโมกเราก็คงจะลืมไปจะาคาดเคลื่อนไป เราลงอุโบสถเราก็อธิษฐานเอาแต่อัจฉรอโสนนะะโสสโธปนัตลาโศหรือจาตุดะโศตามปักขัดและถ้วนตามพระวินนยทรงอนุญาตให้ลงอุโบสถคนเดียวเพี่อขออธิษฐานอุโบสถที่นี่เราจะท่องหนังสือจะท่องปฏติโมเพราะมาได้สวดนานแล้วเพราะเขาวที่อยู่โพ ก, กอยลวงปู่ลวงปูท่ที ถ้าเปลี่ยนกันสวดเป็นวาระเป็นวาระเีื้อนี่เราจะลืมกันมากระท้องฟาเทโมรับรับรัารับรับรับรัพูดไปไปจนถึงสังคาที่เศษีได้ยินเสียงขนาดนี้มันเป็นก้อนหิน ก่อนทีนล่าไปทางนี้เกยโอยไปทาง น, างนี้ได้ยินเสียงขางนาดนี้แต่เสียงของมันบันจงไม่ได้ขาดตอนกกลยเตียงของเรานี่แล้วนี่มันมาแบบนี้งูตัวโตๆ ต, ตาของมันเท่านี้ตาของมัน อย่างนี้แหละแต่มันไม่ทำว่าเว ก, กเวกอย่างนี้พึบพิบอย่างนี้หัวของมันอย่างนี้สูงขึ้นกว่าเตียงนี้นี่มาอย่างนี้มันมาเรียกที่สุดนี่มันมามีสตีสตังนี่มานี่มานี่มนันเราก็นั่งอยู่อย่างนี้มนันที่มันเกินกลัวไปเสียเราไม่รู้ว่าจะตอบทีนี่ <c oughs> กลัวไหมตอบไม่ถูกมันเกินไปแล้ว เราก็นึกสดๆมาที่นี่นึกสดนึกก่อนสดมามีปฏิพานสดๆมามูไทยก็ต้องส่งภาษาไทยไปพูดด้แล้วก็กั้นใจพูดเกือบจะตายเลยไปไปไปไปไปมาสงสัยเราทำไมเราไม่มาหาเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำดอกเราแผ่เมตตาถึงเธออยู่ทุกวันหนึ่ง ก้นใจทําจะตายเน่ยกลัวมันเหมือนกันไปไปไปไปไป เ, เราไม่มาหาเอาทรัพย์ในดินเศนในน้ํำดอกเธออย่าไปสงสัยเราเราแผ่เมตตาถึงเธออยู่ทุกวันแม้ว่าแต่เธอทั่วทั้งใจโลกธาตุเพราะเราแผ่ว่าโยนี่สี่ทุกท่อนหน้าจงเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเถิดเราแผ่อย่างนี้อยู่เสมอเสม อ, อม เธอไม่ได้ยินหรือไปไปไปสงสัยเราทําไมเราไม่มาหาเอาทรัพย์ในดินเส้นในน้ำไปเราเผ่เมตตาถึงเธออยู่ทุกวันกั้นใจทําเกือบจะตายแอะไรนี่เออถ้ากลัวด้วยพอมันจนกรอกทีนี่กลัวขนาดไหนช่างไม่ถูกทีนี่นั่นก็ไปทีนี่ไปแบบนี้ไปงามเหลือเกินมีสติสตังไปเสมอก็เสมอ ถ้ามันทําวิกวิกอย่างนี้เราก็จะเพิ่มความกลัวขึ้นอีกละ น, นี่มันไม่ทํำเลยมันไปเรียบ <c oughs> เรียบวุดเลยหางก็ค่อยมาค่อยมาค่อยมาค่อยมาค่อยพอหางถามมาตรงนี้นู่นเมันกระแทกลมออกท่อของมันก็ยุบพองยุบพอ อย่างนี้ที่นี่เราก็ต้งสติได้มากละที่นี่หายไปมากละความกลัวที่นี่ไปไปวนไปวไปวก็ไปใต้ที่เข้าไปในใต้ถุนกระต๊อบที่เขาบองสวงผีนั่นฟากไปกระต๊อบนั่นไปนิดหน่อยก็มีโพรงเป็นโพรงเป็นรูอยู่อย่างนี้มเข้าไปนั่นเลย เงียบไม่เห็นทีีรอนึกสันิ์ฐานที่นั่งอยู่คนเดียวหายกลัวไปมากแล้วสีนี่นี่เป็นเพราะอะไรเธอจะไหวไถามตัวเองเป็นเทวดารองหรือหรือหากว่าเป็นผีที่เขาบวงสรวงนี่มันจำแรงตัวมาหรือเธอสงสัยยังไง ถามตนเองทีนี้ก็ตอบตนเองว่าไม่สงสัยอะไรเพราะมันหามาหากินต่างหาตอบตนเองจะถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบจะตอบตนเองนึกในใจอย่างนั้นมันมาหากินต่างหากแต่เราไม่นึกถึงค้อนถึงไม่จะทุบตีมันมันก็ไม่ทําอะไรถ้าเรานึกถึงค้อนถึงไม้จะทุบตีมันมันก็ต้องกัดตอบตนอย่างนั้นแต่จะถูกหรือไม like ่ถูกไม่ทราบก็อ Now, ตอบบ้าๆอยู่คนเดียวตอบนึกในใจนี่นี่ มันมาหากินก่างหากไม่ใช่ผีไม่ใช่เทวดาพูดอย่างนั้นตอบตนเองพอนึกอย่างนั้นแล้วก็ท่องปฏิโมกข์ไปอีกทีนี้พอไปถึงหมู่ปาจิตติทีนี้ปาจิตยังปาจิตยังแล้วครอมาอีกแลออกมาแล้ว ออกมาแบบอาเก่าแล้วล่ะอี่อย่ามาตกเตียนสินี่มาทางท่านี่ต่างหางมาได้มาทางนี้ทีนี้มาทางนี้แต่ก่อนม่มาทางทางทางหัวของเราสมมติมาทางหัวของเราเราพินหัวไปทางทิศเหนืออืมอันนี้เป็นทิศตะวันออกนนอะไม่ใช่ทิศเหนือทิศนือทั้นทงนั้ตั้งใจได้แล้วทีนี้พูดได้สบายที่นี้ เออพูดแล้วก็ไม่ฟังไปไปไปคืนคืนคืนแล้วบอกแล้วไม่ฟังไม่มาหาเอาทรัพย์ใดดินสินในน้ำแผ่เมตตาถึงเธออยู่ทุกวันไปไปไปกลับคืนกลับคืนอย่างที่นี่มันก็ถ้อยคืนที่นี่ถอยคืนส่วนคอข้างมันไม่ยอมไ ม, ไม่ยอมลงกับพืน้นอยู่ตามเดิมถอยคืนถอยคืน พ้อยคืนพ้อยคืนพอ้อย้อยอ๋มีสติสัมปชัญญะดีกว่าเราอีกด้วยเรายัางวกๆเวกๆอยู่เหมือนมัน <c oughs> มันมีสติสัมปชัญญะดีกว่าเราด้วยมันญนาตของมันงามเหลือเกินพอไปประมาณหวานทิ่งหางคืนมาตูม เข้าไปนั่นเลยเงียบที่นี่ไม่เห็นเราก็มาพิสูจน์ดูว่าการที่มันมาอย่างนี้มันจะไปอย่างนี้มันจะไปที่ไห น, นอีมันออกไปเพื่อจะไปหากินจะไปหากินทางทุ่งเพราะทางนี้มันเป็นทางทุ่งนึกสัญฐานอย่างนี้ที่มันคงเข้าไปที่นั่นเลยมันคงไม่ออกมา ที่นี่ตื่นขึ้นมาก็ไปวินธบาทที่นี่ตื่นขึ้นมาเขาไปเบญทบาท ต, ตอนกลางคืนเขาเงียบสงัดทีนี้ไม่เห็นอะไรไม่มีอะไร เ, เงียบสงัดตอนกลางคืนไปวินธบาทไปสองบ้านบ้านหนึ่งก็อยู่ น, นู้นบ้านหนึ่งก็อยู่ น, นู้นเขาอยู่ตามสวนเขาทีนี่ไปสองบ้านก็พอแล้วเพราะเขาใส่มากแล้วก็กลับที่นี้เขาก็ส่งเป็นโตตามส่งเป็นโต หนึ่งสายนี่ทีนี้อ้ขี้โง่ที่นี้นนพอฉันยังฮัตอิมแล้วก็ถามเขาทีนี่โยมโยมที่นี่มีงูไหมผอดั้งเห็นรพผอดั้งเห็นรึเขาถามพอท่านเห็นหรืออาตมาเห็นตัวใหญ่ขนาดนนแล้วเขาพูด ตัวใหญ่ตัวโตเหมือนกันบอกว่าเท่าน ja. mm ี้เขาบอกว่าเท่าน OK> yup> ี้ก็มีเขาวางว่านี้ก็มีมันกัดเป็นไหมโยมมันไม่กัดบันกินมันมีเพจไหมสองของงูเห้า ที่สองของงูเห่ามันไม่ใช่ที่สองหรอกมันเป็นที่หนึ่งเขาเขาเรียกว่างูอะไรโยมบ่องล่าบ่องล่าบ่องลาบ่องลามันเป็นเขาบอกว่าภาษาภาคอีสานเขาเรียกว่าจงอ่างภาษาภาคอีสานถ้ามันกัดก็ตายทีเดียวละถ้าเป็นจงอ่าง ไม่มียาละในโลกนะเรามาพิจารณาอยู่ที่นี่ก็เพ่งโทษตนเองทั้งหัวละซ้ำทุกตีโอ้อชี้ ง, งูเราไปถามเขาเรานึกว่าจะพักอยู่นี่สามคืนเราก็จะไปถ้าเราไปเขาก็จะว่ากรรมาฐานกลัวงูมันก็ขายวงตระกูลอีกละ <c oughs> ตอบตนเองที่เราไม่ต้องไป มันจะขายวงตระกูลถ้าเราไม่พูดเรื่องงูให้เขาฟังเราไปมันก็ได้ถ้าเราไปเขาก็เพ่งโทษว่าเราเก็งกลัวงูกรรมฐานกลัวงูหนีแล้วไอ้ชื่โง่บอกตนเองที่นี่ว่าตนเองนึกในใจก็เลยอยู่นั่นไปห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบวันได้โอกาสเงียบแล้วก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบเห็นอะไรเห็นแต่พวกลิงพวกข้างลงมา ลิงจมพวกฟูงหนึ่งลงมาตัวหน้าดำๆมันกระโดดลงมากระโดดลงมามาอยู่ตามต้นซอกเขาเรียกว่าซอกเหมือนต้นมะพร้าวเขาทำทาเป็นน้ำตาลเหมือนกันเหมือนต้นมะพร้าวพ่อเราเองต้นซอกผู้เคยเห็นคงมีอยู่นี่ เขาเรียกว่าต้นช็อกเหมือนต้นมะพร้าวเรานี่เองแต่ว่าเป็นลูกเล็กๆไม่ลูกโตเหมือนมะพร้าวของเราเป็นงวงแล้วเ ข, เขาตัดเอางวงนั้นไปทําน้ําตาล<ม>เหมือนต้นตาล<ม>น้าตาลช็อกเรียงบางจําพวกก็มามามองดูทีนี้หน้าดำๆก็มีเขา ชาวอีสานจังห ว, วัดตหลงตัวหน้านดำดำชิดื้นะก็มา่องดูเราใกล้ๆดดเดยอะทำอย่างนี้น บ, บางตัวก็ฟันของมันขาวบางตัวทําอย่างนี้เอ๊ะเธอจะมาทําอย่างนี้ทําเราทําไมมันทําอย่างนี้อี นนีนานไปนานไปมดวิธีทำมดวิธีมันหยอกกับเราแห ล, ละมันก็ไปตามฝูงของมันเราก็ภาวนาตามภาษาของเราทีตอนกลางคืนในวันหนึ่งเสือโคร่งตัวหนึ่งมาเราไม่รู้จักว่าเสือโคร่งมามาที่ใกล้ของเราเราไม่เห็นเขามาส่ง อาหารนี่เสือโครงตัวหนึ่งมานี่นี่นี่รอยหลวงพ่อนี่รอยเข้าใหม่ออกไปดูมันอยู่ใกล้ๆเราแต่เราก็ไม่ปากวัเห็นมันผ่านไปทางอื่นแต่ไม่ถึงข่าวจำเป็นมันก็ไม่เอาไปกินอยู่มาอยู่มาก็ฮ้าอุบายลาเขาออกจากนี่ท่านจะไปที่ไหนจะไปอำเภอต่างลึก จะไปทางไหนจึงจะถูกเพราะให้บอกคันทางว่าเขาก็สสงมาตามเรือกกระแชนมาตามทะเลใ น, นข้ามคลองมาเรือเดินสองชั่วโมงก็ถึงบ่อแสนเป็นตะเข็บต่อกันกับจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาเสียแล้วที่นี่ ถ้เาเอาไปพักไว้กระตบแห่งหนึ่งแล้วก็นอนภาวนานตามภาษาคนเดียวไปบินทบาทกับเขาพักอยู่ที่นั้นม้าเห่าเข้าไปม้าจะกัดที่นี่ <c oughs> ลุ้มหน้าลุม้มหลังแต่มันก็ไม่กัดแล้วก็เพียรเมตตาทังมันอยู่แต่ก็จะกลัวอยู่บ้างแต่เอาไม่กัดพักอยู่นั่นสามคืน ก็ถามเขาทีนี้พ hmm. ักอยู่นั่นสามคืนก็ถามเขาทีนี้เขาก็ว่าขอให้พระท่านพักอยู่นี่นานบ้างก็ไม่เคยเห็นพระธุดงค์เพราะมาได้เคยใส่บาทพระธุดงค์แล้วก็พักให้เขาเลยสามสี่คืนประมาณสามสี่คืน พอ ล, ลาเขาเขาก็มาอยากให้มาแต่ก็ฟื้นมาทีนี้ตอนที่จะออกจากบอ่อแสนธรรมเนียมของบอ่อแสนมันต่อตะเข็บของจังหวัดพังงาทีน่นี่พวกชาวสวนเขาจะไปขายแตงโมที่อำอเภออ่าวลึกทีเขาบอกว่าถ้าลุงพ่อจะไป ก็ตีสองตีหนึ่งตีหนึ่งตอนกลางคืนก็จะมาเอามารับเอาพอท่านไปขึ้นเรือเอาอะนพอตีหนึ่งเขาก็มารับเอาไปขึ้นเรือน้ำทะเลกําลังขึ้นที่น้ำทะเลกําลังขึ้นเสียงปลาอยู่ตามป่ากกงกลางป่าอะไร ตูมตามตูมตามตูมตามตูมตามตูมตามเราไม่เคยได้ยินเรากระถามเขาเขาก็บอกว่าเสียงป่าเสียงใหญ่โตของภาษาเหมือนเราทิ้งก้อนหินเลยตูมตามตูมตามตามป่าไม่ป่ากกลางๆหรือป่าอะไรก็ไม่ทราบมันไม่เหมือนไม่ภาคอีสานทีิมทะเลที่ ท, ทพอมาถึงอำเภออ่าวลึกที่นี่ฟังอำเภออ่าวลึกมันยังไม่เป็นวันใหม่ที่นี่แล้วก็จอดอยู่ที่ท่าคนเดียวเหลือเขาก็จอดแค่นั้นที่นี่เขาก็หาแตงโมเข้าอำเภออ่าวลึก ฝนอุบาทที่นี่ตกลงมาเราคนเดียวอยู่ที่ริมฝั่งฝนตกทางนั้นมันไม่ลมเลยมันนึกอยากตกมันก็ตกเอาไม่เหมือนทางเราไม่ตกยากฝนตกอยู่เกือบชัว่วโมงน้มไหลเออมันยังไม่เป็นวันใหม่ที่นี้เราก็ทุกข์ ทนลำบากที่นี่นก็ยืนกลางกดที่นี่ยืนแบบนี่หัวก็กั้งเนี่ยกั้นๆไว้อย่างนี้สบายทายสบ า, ายบาตร่างนี้อย่างนี้ยืนภาวนากองทุกข์กุ้งฝนตกลงมาทั้งนี้ก็เปียกหมดนี่ยังแต่เหลือนี่ขึ้นมาเนี่ย หมดทางนี่น้ำไหลเพียงขึงแขงนี่อันนี้ต้องรือขึ้นนี่ทนทุกข์อยู่นั่นนานจึงสว่างฝนก็นหายไปทีนี้ <c oughs> พอฝนหายแล้วก็เป็นวันใหม่ทีนี้กดก็แบบก ด, ก ด, กดเดินไปจะไปบินท่าปาอําเภออาลึกที่นี้ จากนั่นไปหาอำเภอเอาลึกหนึ่งกิโลพวกเขาขายแตงโมงเข้าไปหมดแล้วเขาเขาเกงจะไม่ทันตลาดก็ยังเหลือแต่เราคนเดียวไปพบเด็กคนหนึ่งคนหนูคนหนูช่วยแบกกดตามหลังหลวงพ่อได้ไหมได้ได้ไดให้มันใ ห, ให้ให้เด็กคนนั้นแบกกดตามหลังแล้วก็ไปบินท่าประหารเเขาก็ใส่บาตรให้ มีคนคนหนึ่งบอกมีพระมาพักอยู่ที่ริมนา้มมาจากภูเก็ตสามสี่องค์พักอยู่ที่นี่หลวงพ่อจะไปฉันกับพระพวกนี้ก็ทันอยู่เพราะบินทบาตแล้วบาทก็ได้พอแล้วเขาก็เลยตามไปสง่งไปส่งเป็นพวกเก่ากันที่นี่ไปพบกัน พกที่จำพรรษาภูเก็ตเราจำพรรษาพังงาทีนี้่ปพบกันอยู่ที่นั่นพบกันอยู่ที่นั่นก็ฉันอาหารกันอยู่ที่นั่นแล้วก็พอดีบรรดาลตําบลแหลมศักมาเขาเอาเรือใหญ่มาเขาจะมาซื้อของในอำเภอเอ่าวลึกทีนี้เขาก็มาเขาได้ทราบข่าวว่าพระกรรมฐานอยู่ที่นั่นมีเขาก็มาขอพระทีนี่ ได้องไหนก็เอามาได้เลือกเพราะไปปฏิบัติสักองค์สององบ้างถ้าไม่ได้ก็ให้องค์เดียวเพราะมีมีพระอยู่นั้สามสี่องเป็นหมู่เพื่อนเดียวกันทีนี้ก็ <c oughs> ตกลงพ้าพิษุทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันก็เห็นดีว่าให้เราไป แล้วก็พอใจไปญาติโยมเขาก็รับเอาไปแล้วเอาไปข้ามเรือไปสองชัว่วโมงเขาเอาลงเรือไปคนประมาณสองร้อยคนเรือลำนั้นไปขึ้นฝั่งตำบลแหลมศักดิ์ที่นี่เวลานั้นน้ำกำลังขึ้น เออไปจูงเอาแขนท่านพ่อเอาไว้เนื้อท่านพ่อจะเหยียบปลาปลาจะปักท่านพ่อลงเรือแล้วก็ลุยน้าขึ้นเขาออกทํ า, าทกระต๊อบให้ที่ตําบลแหลมศักพักอยู่ที่นั่นสองเดือนพักอยู่คนเดียวงูมีมากงูทางนั้น งูทะเลยิ่งมีมากมันขึ้นไปอยู่ตามเกาะและเกาะเล็กๆไม่รู้จักชื่อก็มีตัวเฮี้ยตัวโ ต, วตวๆคณะต้นขานี่มีคุนเชื่อเพราะเขาไม่ทำอันตรายมนที่ที่พวกที่เขาเอาไปกินก็คือพวกภาคอีสานพวกที่ภาคอีสานไปอยู่ท่านั้นเขาก็เอาไปกินกัน เพราะนั่นก็บขอ้อหัวหรอกเพราะเขาไม่เคยกินพวกพาคอีสานกี่ปหาลับจ้างพักอยู่นั่นสองเดือนเขาก็สง่งลาเขาเทีนี้เขาก็ไม่อยากให้มาหรอกนายมนูนโยมนุ้ย ที่ไปปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติดีตามภาษาของเขาแล้วเขไปบินธบุรีอำเภออ่าวลึกบินธบุรีง่ายๆนรอกไปไปบินธาบาุรีตะบนแหลมสักมันเป็นแหลมสักเข้าไปในอำเภออ่าวลึกเขาก็เรียกว่าตะบนแหลมสักเราดูแผนที่ก็กรู้แล้วแผนที่โลกแผนที่ประเทศที่นี้เรานึกอยากจะไปจังหวัดกระบี่ที่นี่ก็ลาเขา เขาก็ส่งขึ้นเรือข้ามข้ามไปน้องพ่อเป็นเวลาสองชั่วโมงจึงถึงน้องพ่อไปพักอยู่น้องพ่อคืนหนึ่งเขาส่งขึ้นรถยางไปพักจังหวัดกระบี่ไปพักอยู่ที่นอกเมืองเขาเอาปไป ในโรงพั่วกาแฟที่นี่อยู่นอกเมืองโรงพั่วกาแฟมีชายคนหนึ่งเป็นชายโสดอยู่นั่นอยู่นอกเมืองพั่วกาแฟตุ๊บจับตุ๊บจับตุ๊บจับไม่ห้องโถงหลายห้องไม่มีภรรยาอยู่นอกเมืองผมเป็นคนแปลกเี้ยวผมมาอยู่นี่นานผมเป็นคนเรียนเรียนหนังสือมัธยมแปล ผมนอยากจะกลับบ้านแต่มูลค่าไม่มีถ้ากลับไปก็ละอายเพื่อนแต่อุตสาหาเงินเช่ยก่อนจึงจะกลับไปเขาพูดอย่างนั้นผมเป็นคนโสดข้าแก่เขาเอาไปไวน้นนตื่นขึ้นมาที่นี่เขาไม่อยากจะให้ไปเราก็าอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีที่อยู่เพราะไม่ใช่ว่าจะไปอยู่อย่างนั้นเรไปพักอยู่ที่โรงกาแฟนโรงเขาคั่วไม่ใช่โรงเขาขาย เราก็นึกว่าเขาทำยังไงไม่ทราบเราก็ไม่ได้ไปดูเลยได้ยินเสียงตุ๊กตับตุ๊ตับตุ๊กตับตุ๊กตับบอกว่าเขาลั่วกาแฟด้วยเครื่องจักร เ, ออเมื่อนั้นออกมาคุยด้วยมันเป็นหลายหลายห้องตืนขึ้นมาทำเนียมทางนั้นเขาไม่รับอาหารแต่เชา้าเขาชั้นนมแล้วเขาก็หยุดตอนเที่ยงเขาจริงแล้ว เขาไปตัดยางก็มีตอนใกล้จะเที่ยงเขาจริงแล้วตื่นขึ้นมาเขาก็เอานมไห้ถวายสองแก้วเราถ้าจะฉันให้หมดมันก็หมดแต่เราเก่งมันเสียมันระยแเราก็ฉันจิบเดียวสองจิบเ้า <c oughs> ก็เลยวางไว้ พอถึงเวลารถเขาก็ส่งขึ้นรถที่นี่รถก็วิ่งข้ามรถก็รถของเขานน่เองรถของเขาไปจังหวัดตังข้ามอำเภอปากท่ออำเภอคลองท่ออำเภอห้วยยอดมาถึงอำเภอห้อยยอดก็เที่ยงวันพอดีที่นี่ พวกชาวตลาดอยู่ในอยู่ในรถจัดอาหารถวายพระพระปูุกันเดินทง้งถ้าคงมาอง์เดียวเพราะมันมีโยมมาด้ยวยก็ตาตอบเพราะอาตมาชั้นมือเดียวไม่ต้องลําบากเขาก็เลยหยุดกั น, นอาตมาชั้นเนี่ยไม่ชอบเนี่ยชันมือเดียวเท่านั้นไม่ต้ององก ที่นี่ไปถึงออกจากนั้นขาไปพักเที่ยงนั้นออกจากนั้นก็ไปถึงจังหวัดตรังพอไปถึงจังหวัดตังเราก็รู้จักแลที่นี่เพราะเวลาเราไปเราไปผ่านจังหวัดตรังแล้วเราก็ลงไปอำเภอกันตังแล้วเราก็ไป ไปขึ้นเรือข้ามข้ามทะเลไปเกาะภูเก็ตเวลาเรามาเรามาทะเลในเราโค้งมาทางนี้เราโค้งมาทางนี้เราโค้งมาทางนี้เราก็ไปจอดจังหวัดต่างเราก็รูปตัวที่นี่เราลูบจักที่นี่เออเรามาที่นี่เราโค้งมานี่เราโค้งมานี่มาจอดที่นี่มันเป็นบ่วง เหมือนบวงเมีถนทางไปนี่ก็ต้องไปทุ่งสงมีนี่นครทำสีธรรมราชก็ต้องอยู่นี่สุราษฎร์ก็ต้องอยู่นี่ชุมพรหลังสวนกรุงเทพฯต้นต้น อ, อยู่ทางนี่ไปเรารู้สึกตัวที่นี่ที่เราเราไปพักอยู่ป่าช้าที่นี่ป่าช้าทางนั้นเขาไม่เหมือนไม่เหมือนเรา ถ้าเป็นศพไม่เหมือนภาคอีสานถ้าเป็นศพที่ยังไม่ได้เผาเขาก็ต้องฝังลึกๆแล้วก็พูนดินขึ้นอย่เรียกอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พูนดินขึ้นอย่างเรียกไม่ต้องเอาเอาน้ําไปทึบเหมือนภาคอีสานหยบเรียบจนเกีเ้ยงเป็นเท่าอยู่มี ป่าชาเเขอป่าชาคนไทยและป่าชาจีนประปนกันอยู่ที่นี่แล้วก็ไปนอนที่นั่นใกล้จากสถานีประมาณยี่สิบเส้นสถานีรถไฟเพราะที่นั่นที่ดินมันแคบเราไปนอนอยู่ที่นั่นก็มีมียมคนหนึ่งเอาเสือมาให้พื้นหนึ่งแล้วก็ปูที่ดินเลยแต่หมอนมาให้เอามาให้ เอาเสือมาให้พื้นเดียวแล้วก็แล้วนี่มันก็หลุมศพนี่แล้วก็เอาห่อผ้าสัางคามาวางมาที่นี่อีกไงเราปูผ้าอาบพื้นเดียวนะลรวก็มาปกนี่นี่มาปกไว้นี่เราเอานี่เป็นหมอนเลยนี่นี่เป็นนอน ภาวนาแผ่เมตตายังไม่มีกัางวันกลงคืนอยู่ที่นั่นทักเกิ่วสองสามวันก็มีกินคนหนึ่งมาเยี่ยมป่าช้าที่นี่หน้าตาผ่องใสประมาณอายุสามสิบปีเมื่อถามทั้งทั้งทั้งทั้ ง, งจะไปไหนล่ะ เอออาตมาก็นลูกว่าจะไปกรุงเทพทั้งทังทัง้ทั้งจะไปด้วยวิธีไหนล่ะถ้าไม่มีวิธีไปก็เดินไปคำที่ไหนก็นอนที่นั้นพอจําพันศาสุราชก็จําพอยจำพันศ า, านาครศรีธรรมราชก็จำเขารู้จักเพื่อนอยู่ที่นั่นแล้วมังไก้มังไก้มางไก่ไปไม่ว่ายังมังไก้มางไกะ ถ้าถ้าถ้าถ้าอย่างล่งก็เอาใบซุกทิศมาอ๋อพูดข้ามไปผงผงผงจะเอาเงินมาให้ทั้นอาตมาก็รับเงินไม่ได้เพราะมาคนเดียวเพราะไม่มีเด็กไม่มีใครมาด้วยจับเงินไม่ได้เออถ้าถ้าอย่างล่งก็เอาใบซุกทิศมาผมผงจะไปซื้อล็อกวงให้ ตัวรถดวงเขาขายหกโมงเย็นล่วงหน้าถ้าขายวังพรุ่งนี้มันไม่ทันต้องขายล่วงหน้าบ้างพรุ่งนี้บ้างเพราะรถดวงมันไปหนึ่งหนึ่งโมงเช้าออกจากนี่ไปถ้าท้ายังร่างเอาใบทุกทิกมาก็เอาใบสุทธิให้มันก็ขี่รถจักรยานสมัยนั้นมัน มอเตอร์มอเตอร์มันยังไม่มีหรอกรถรถจักรยานเา<ไป>นก่าๆไปเดี๋ยวก็คืนมาบอกคืนมาเอาให้ตั๋วของมันเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์รถครึ่งค่าแล้วตู้สองรถด่วนรถครึ่งค่าแล้วที่นี่มันมาถามอีกที่ข้าเข้าวข้าท่านจะกจิงที่ไหนล่ะ เพราะมังไม่ได้ไปไปเบิงท่าบากนะมั่งไม่ทั้งเขพูดไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินไม่ได้ฉันก็ไม่ต้องฉันพราะเจ็ดวันอัตมาก็เคยอดอยู่ไม่เป็นไรหรอกพยพก็เก่งถ้าถ้าถ้าถ้ายังรังมั่งก็ไม่อยากพรุ่งนี้ทั้งต้องไปรักผงที่สถานี <c oughs> บอกให้แตลรับที่สถานีผมจะมารับทังที่นั่นเราก็ไปไม่ต้องไปบินท่าบาทมันพูดอย่างนั้นพอเราไปเจ้านายเขาทางนั้นเหมือนพวกเราเ ข, ขาเขารบพระเขามารับเอากฎมารับเอาบริขารของเราไปที่ห้องสเสมียนเขาก็จับตัวเราไปห้องที่ห้องสเสมียนหาเก้าอี้มาให้นั่งพักตามสบายไม่ให้ปะปนกับคนโดยสารอยู่ข้างนอก พอแกก็มาละทีนี้เพราะได้เวลาแกาก็มาภรรยาของมันหน้าตาผ่องใสตัวของมันก็เหมือนกันแต่คนก็รูปไม่รูปหล่อเท่าไหร่แต่หน้าตาผ่องใสแค่รอยเขาจะสนใจในทางกุศลพนบุญมากนี่นี่นี่นี่ทั้งทั้งัทัทังทังทั ง, ท ง, ท ง, ท ง, ทงอยู่นี้เขาพูดกันเนะ เมียของมันภรรยาของมันมันก็แบกเอากดที่นี่ตัวของมันมันก็สะพายบาด ท, ทีนี้ย่ามของเรายัดใส่บาดแล้วเราไม่ได้พายพลุงพลังเราก็ถือเอาแต่ผ้านิสิทธนะหน้าืนเดียวเท่านั้นเราตัดบริขารมาแล้ว น, น้อยมาแล้วไม่ได้พายสองบาทจนพลุงพลังเหมือนโคต่าง ที่นี่นั่นก็บอกว่าผงผงให้ลูกของผงไปจองล็อกไว้แล้วไปจองที่นั่งไว้แล้วลูกของมันคนหนึ่งประมาณอายุสิบสองปีไปนั่งจองที่นั่งไว้แล้วไปนั่งขวางไว้ส่งขึ้นรถทีนี้ส่งขึ้นรถเนี่ยมันก็บอกชื่อกระพงชื่อลำใช่จริงจิตเขียนหนักเสือไทยก็เป็น เขาเขียนให้นายดำใช่จริงกิจถนนบำรุงเมืองจังหวัดตรังเออถนนบำรุงเมืองเราก็นึกว่ามีแต่กรุงเทพมันก็มีอยู่ตามจังหวัดเหมือนกันเรานึกในใจแต่เราไม่พูดทีนี้เขาก็บอกชื่อบอกเสียงแลวเปิดโอกาสเมื่อมาทีหลังกขให้มาเยี่ยมบ้างที่เราก็เกิดสงสัยที่นี่ทุ้งยาง ถุงพลาสติกที่ใส่หอนี่มันยังไม่แพร่หลายมาเหมือนเราทุกวันนี้หรอกมันมีอยู่แต่ในจังหวัดเท่านั้นแต่ก่อน ม, มันก็ใส่ทุกอย่างมาไขส่สองฟองปลาแห้สามตัวก็ข้าวอยู่ในนั้นก็มากขนาดนี้ยากเก็บทอง ยากเกล็ดทองสมัยดแดงๆนั่นไม่สมเร็จทุกวันนี้สองซองไม่ขีดไฟสามกะน้ำสองขวดเราสงสัยนา้าเพราะมันยังมาทันพอฉันทีนี่เรานึกในใจเรารับประเซนกับมันแล้วเอาไว้ที่ตะแกรงข้างบนหัวนี่เวลาเราจะฉันเราจรึงจะขอช่วยนพวกนี้เชนให้เราเราจะจิฉันนึกในใจอย่างนั้น ทีนี้มันก็สั่งก็ลาเนี่ยก็สั่งลากันโดยย่อๆแล้วไปละทีนี้เขียนชื่อเขียนเสียงให้แกพอดีก็ดีแล้วคังม่งม่งๆ่งด้วยพอดีรถก็เปิดวูดดังรถก็เคียมตัวออก วิ่งมาจากนั่นมาก็ห้ามูงเช้ากอมาถึงที่ทุ่งสงมารอารถสงขาอยู่ที่นั่นลงรถไปวันนั้นเขาเรี่องอาหารตามทางมาคนทางนั้นเขาเป็นไม่เหมือน ที่ทุกทางสายอุดร อ, อบุบลรถไฟทางสายอุดรอุอบลไม่ดูพระเลยมึงจะกินอะไรกูก็ไม่ทราบกับมึงละอันนั้นเขามองดูพระนั่นพระไม่มีคนเลี้ยงเขาก็มองดูตาเขาเขาก็เอามาให้มากมาเรี้ยงพระพระมาองค์เดียวส่วนอันนั้นยังไม่ได้เอามาอันนั้นยังไม่ได้เอามาอ ย, อยู่ข้างบน สองจานสามจานสจานห้าจานเขาเอามาเรา็นึกษานึกรักษามารยาของเราถ้าจะให้เราฉันมันก็หมดทั้งห้าทั้งสามนั่น <c oughs> เพราะมันมีนิดเดียวนี่มันย้ายออกเฉยนีย่มีนิดเดียวเลยเพราะเขาขายรถไฟเนี่ยตักกันนบ้างตักันนบ้างนิดหน่อยแหละส่งคืนให้เขาแต่พอไปถึงสถานีทีนี่สถานีก็ลงรถที่นั่นห้าน นายสถานีไปแวะนายสถานีเชิญให้เขาเสกของในถ้าก็มีออกไปในในสถานีนายสถานีมาเห็นก็ามาถามข่าวๆมาจากเขาโตแซะมาจากจังหวัดพังงาเขาโตแซะก็เคย ไ, ไปแกก็มาถามข่าวข่าวเรื่องหลวงปู่เทศดตลอดถึงเขาโตแซะแกเคยไป เดี๋ยวก็จะมาครับเดี๋ยวก็จะมาพราะรถคันนี้มันต้องวิ่งลงสงขาแต่ก็ต้องมารอปลี ก, กันอยู่ที่นั่นเพราหัวคุณแจอยู่ที่นั่นรถชงไม่นานรถสงขาก็มารถสงขาก็มาก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวคุณแจกันรถตังก็วิ่งลงสงขารถคันนี้ก็วิ่ง รถสองเขาก็วิ่งขึ้นกรุงเทพทีนี่ตัวอันเดียวก็ขึ้นอันนั่นเลยขึ้นตู้สองตามเดิมที่นี่ก่อนที่จะขึ้นรถเราก็ฉันนพอให้เขาเป็นพิธีสองสามคำสงสารเขามันเป็นฉันสองหวัวเแลยแต่มันไม่แต่มันไม่ล่วงเวลาดอกเพราะมันเป็นเวลาห้าโมงเช้าอืมเราเป็นฉั้นสองหวัวเแลยวันนั้น พอเราสงสารเขาเขาสองสคําแล้วก็ส่งให้ในายสถา น, นีนายสถานีแกก็ เ, เอาไปกินอยู่แกก็ไม่รังเกียจแกก็ส่งขึ้นรถที่นี้ก็ตัวใบเก่าแลนะ้วไม่ได้ต้องเสียเงนินอีกที่นี่มาตามทางเขาก็เรียงอาหารพอตื่นที่นี่ไม่ข้ามาไม่รู้จักว่าข้ามจังหวัดสุราข้ามจังหวัด ระยองไม่ใช่ระยองอ๋ไ อ, อไม่ใช่แระนองชุมพรทีนี้พอมาถึงราชบรุรีมันก็สายแล้วมันก็เป็นวันใหม่แล้วจะเป็นวันใหม่แล้วพอเข้าถึงกรุงเทพทีนี้ก็เป็นปัญหาอีกอันมาในรถนั่น เขาก็คุยกับเราอยู่ทุกขนทุกเหตุผู้มาคุยธรรมะก็มีผู้มาคุยอะไรก็มีเขามาถามแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่ถามเวลาท่านจะไปลงที่ไหนท่านมีค่าโดยสารต่อไปหรือไม่ทําไมไม่มีใครถามก็เป็นเพระบุพการรมของเราเขาไม่ถามเราก็ไม่เอ่ยเราก็เหมือนกันเราก็ไม่เอ่ยอยีกเหมือนกันเขาไม่ถามเราก็ไม่เอ่ย เราก็มีตั๋วไปรถใบเดียวขามือท่านั่นก็ไปตกรถที่ที่สถานีบางกอกน้อยคือนี่ที่จะต่อไปนั่นอีกไม่มีมูลค่าสักตางเลยและมันมีโยมมาด้วยเพราะตีตั๋วลงสถานีบางกอกน้อยอทำไมเขาถึงไม่ถามเราก็เป็นเพราะบุพกรรมเราไม่ได้สร้างไว้เขาไม่ถามเราก็ไม่เอ่ยอแล้วก็โสเป็นโสตายนี่นี่ เมื่อท่านลงแล้วท่านจะไปพักที่ไหนท่านจะไปขับไกลเขาก็ไม่ถามแต่ทางอื่นเขาพูดดีอยู่แต่มันเป็นบุพกรรมของเราเทนี้เขาไม่ถามเราก็ไม่เอ่ยพอมาลงถึงที่นั่นเราก็จนสอกแล้วเีนี้เราโสเปลี่ยนโสตายจะเดินจะเดินจากท่าพระจันทร์ไปวัดบรมนิวาเพราะเราจำได้อยู่เพราะเพื่อนพาเราเที่ยวสี่ห้าวันติดติดกัน เรารู้จับนี่เพราะมันเป็นขั้งที่สามแล้วไปกรุงเทพขั้งที่สามนี่ขั้งที่หนึ่งที่สองเพื่อนพาเราเที่ยวทุกหนทุกแห่งเราต้องเป็นเป็นบอยของเพื่อนต้องตามหลังเพื่อนเพื่อนพาลงรถเราก็ลงเพื่อนพาขึ้นเราก็ขึ้นแต่เราจามันจาจาสถานที่ไว้สถานที่สาคัญสถานที่รถไฟมันมี ถนนอยู่หลายสายก็จริงแต่ว่าถนนใหญ่ๆมันก็มีอยู่ถนนบำรุงเมืองถนนเยาวราชถนนเจริญกรุงนอกจากนั้นมันก็เป็นจริงก้านของมันมันอยู่ทางที่ไหนมันอยู่ตั้งอยู่ทิศไหนเขาก็มีตัวหนังสือบอกแล้วก็มีจดหมายปลายทางเราไม่หลงแต่ในระหว่างนี้เราได้ยินท่านอาจารย์วิทยาลบอกว่า สภพายบาดผ่านกรุงเทพดูว่ามันขังเหลือเกินท่านพูดอย่างนั้นเราสภพายตามริมถนนท่านพูดอย่างนั้นเราก็จะถูกอย่างนั้นละแต่ว่าจิตใจของเราแผ่เมตตา ต, ต, ติดต่อกันมาอยู่เจ็ดวันแค่คืนแล้วไม่ไม่ทิ้งเลยโยนิสีทุกท้นหน้าจงเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อโยนิสีทุกทุ่หน้าจงเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อ ประจําจิตของเราไม่ได้บังคับยากเลยเวลาพูดกับคนอื่นหยุดคําพูดแล้วมันก็มาต่อของมันเองไม่ต้องบังคับเพราะเรามาคนเดียวเราจะไม่แผ่เมตตาไม่ได้เพราะเมตตานี้ไม่มีเวรไม่มีภัยเราต้องอาศัยเมตตาแผ่เมตตาจนถึงอนัตตาธรรมธรรมที่ไม่มีเวรธรรมไม่มีที่ไม่มีภัยเราพูดดังนี้เป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรอนัตตาธรรมที่ไม่มีภัย เราเชื่ออย่างนี้แล้วก็แผ่เมตตามานับแต่ออกจากเขาทอยมาต้องเจริญเมตตาทั้งนั้นแต่ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้ น, นบริกรรมอยู่อย่างนั้นรวมรู้ไม่รวมก็ไม่ดีตนตายเอาเป็นอาหารเอาเป็นเครื่องอยู่เอาเป็นอารมณ์พอข้ามถึงท่าพักกัน ลงไปในท่ามีตำรวจรักษาท่านะ้ําคุณคุณต้องการจะข้ามน้ําไปที่นั้นเรือลําไหนที่เขาไม่เก็บมูลค่าถามเออลํานี้ลํานี้กํา ล, ล, ล, ลังมากูอาดอยนะ่างไรนี่นี่นี่ก็ผมจะส่งให้เขาไม่เก็บมูลค่าลํานี้แต่ ว, ว่าเขาไม่เก็บทั้งหมดก็ไม่ทราบดอกขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วนะเอากดมา พอเราขึ้นทั้งสะพายบาทก็ยื่นกดให้เรืกอก็ข้ามถึงถึงฝั่งเลยพอถึงฝั่งก็มีสามล้อสมัยนั้นเขาเรียกว่าแท็กซี่หรือแท็กซี่สมัยนั้นสามล้อแท็กซี่หรือแท็กซี่แต่ทุกวันนี้เรียกแท็กซี่เนี่ยมันเป็นรถเก๋งรถกลางไปเชแล้วเป็นรถเล็กๆไปเชแล้ว เป็นรถคนขับมีเครื่องยนต์มีอะไรสมัยนั้นเรียกแท็กซี่นั่นก็คือสามล้อเราดีๆนี่เองเขาไม่ติดเครื่องยนต์เครื่องอะไรหรอก <c oughs> สมัยนั้นเรียกอย่างนั้นรถจอดอยู่นั่นรถสามล้อเนี่ยเป็นแถวๆเลยมอหนึ่งก็เข็นออกมา นี่มครับนี่มูลครับนี่มูลครับเออนี่มูลก็ขอบพระคุณยอยู่ไม่มีมูลค่าให้เราก็บอกก็ขอบพระคุณอยู่ไม่มีมูลค่าให้ไม่มีมูลค่าก็ไม่เป็นไรครับก็ผมจะไปส่งท่านท่านจะไปที่ไหนตไปวัดบวรนิวาสไปวัดดวงแข็เป็นยังไงท่านไปวัดดวงแข็มันเกี่ยวกับเพื่อนไม่รู้จะเพื่อนจะไปทางไหนท่านไปทางสะพานยศศรีเนี่ยปะวะเเเเามเเเเ ไปสะเต่าเออที่ท่านพูดว่านีม่มนท่านขึ้นเลยไม่ต้องสงสัยดอกขึ้นกับผมจะไปสงท่านที่ว่าพระไม่มีเงินนี่กับผมขนมันชูขึ้นครับเพราะผมกับผมเห็นพระมีเงินในกระเป๋าแยะมาที่ท่านว่าพระว่าไม่มีเงินนี่กับขนของกับผมมันชูขึ้น กระผมจะไปส่งท่านอาจารย์ให้ถึงที่วิดามารดาของกระผมก็ศาสนาพุทธเหมือนกันกระผมชื่อสีบุญเรืองอยู่อยุธยาวิดามารดาของกระผมถือทางวพุทธศาสตร์มามันเขียนขึ้นเราลงมันม่ให้เราลงเราก็ฝืนลงอาตมาไม่เคยกินอย่างมนุษย์ถึงเพียงนี้อาตมาจะลงเดินไ เราก็ลงเดินท่งสารมันพอขึ้นมอพอจะลงทางนั้นแล้วครับเราจะขึ้นก็แววัดสามง้าไปก็ไปถึงสาเก่าไปถึงสาเก่าแล้วก็พระภาคอิสานมันเต็มอยู่วัดบรมนิวาดพวกเราไปพบกันทีน่นี่ก็ทรงภาษาลาวใส่กันทีนี่อืม ที่นี่พวกพระอยู่ทางนั่นก็บอกว่ามาด้วยวิธีไหนเออมาตกรถที่สถานีบางกอกน้อยเขานื่นมุขึ้นรถก็ขึ้นมาตามภาษาเองไม่มีเงินก็บอกเขาล่วงหน้าเลย้ยแต่เขาให้ขึ้นก็ขึ้นมาเออก็ลืมบอกว่าเงินกลางสมของเรามีอยู่สําหรับพระถ้าไม่มีก็มาเอาที่วัดเลยก็ได้ก็ลืมบอกไว้หมู่เพื่อนพูดจาไม่ พักอยู่กับหมู่เพื่อนแล้วก็ไปบินไปบินธมาดคนเดียวในกรุงเทพบ้าบ้าบบไปเพราะเราเคยไปแล้วเราไม่หลงเนาะเราไปทางตลาดเหลือมโลกไปทางลังวังบุรพาไปตามบ้าบ้าบบของเราเลยอะแล้วก็กลับทีนี่ก็เต็มบาทอยู่ทุกวันทุกวันมาเฮามาห้อนจซาดพัด พราคนบ้านนอกผ้าำดำดเพราะบ้านนอกเขาเห็นเขาก็รู้จักท่านลุกขมูลมาท่านลุกขมูลมาเขาก็บอกเขาก็พูดเองแต่แล้วก็ไม่ตอบเขาทีนี้มันก็เป็นกรรมของเราอีกเขาพูดกับเราเขาก็พูดดีอยู่พวกกรุงเทพแต่ว่าออกจากนี้ท่านจะไปไหนท่านมีค่ารถหรือไม่ เขาก็ไม่ถามทีนี่เมื่อเขาไม่ถามเราก็ไม่เอ่ยทีนี่พูดทางอื่นเขาก็พูดอยู่ทีนี้เมื่อเขาไม่ถามเราก็ไม่เอ่ยเราก็ไม่ผเดีงในทางรถในทางตื้นเลยพักอยู่กับหมู่เพื่อนนานพอควรแล้วหมู่เพื่อนก็จะส่งค่ารถถึงอุดรเราไม่ยอมออก เพราะมันจะทับถมหมูเพื่อนมากไม่ยอมหรอกเรายอมเอาแต่เพียงอายุทยาเท่านั้นแต่ขึ้นรถด่วนเราก็ไม่เอาเพราะเก่งเพื่อนจะเสียเงินมากไปรถธรมรมดารถโดยสารตู้สองก็ไม่เอาเอาตู้สามหมูเพื่อนก็ส่งให้ตู้สามเป็นราคาสองบาทห้าชิบสตางค์ รถขึ้นข้าสมัยหมล่ตู้สามรถสินค้าไม่ใช่รถด่วนไม่ชัดไม่ใช่รถโดยสารไปลงอายุทยาไปพักอยู่ที่อายุทยาสามคืนไปพักวัดนเรสวนที่นี่ พวกชาวอายุทยาก็ส่งขึ้นรถขึ้นรถ ด, ด่วนในเวลาพักอยู่นั้นสองสามวันขึ้นรถ ด, ด่วนในเวลาห้าโมงหาโมงเช้ารถบรรดาลเป็นกรรมของเรารถ ด, ด่วนแท้ๆติดต่อกันเป็นสายตั้งสิบเอ็ดสิบสองกว่าตู้ 1 3 1สามสี่ไปอีกได้ยืนหมดวันนั้นยืนเลยรถ ด, ด่วนได้ยืนผู้เขาบ่นมาเขาบ่นว่าคนเต็มแล้วมันขายตายหาตายหงมันทำไมมันขายตัวทำไมเขาบ่นมาตามทางยืนเราก็ถูกยืนเลย ถ, ถูกยืนแต่ห้าโมงเย็นบาทเราเอาไว้ที่ไหนมันยัดเยียดกันเออขออภัยเนอบริขารเ อ, อ้ยอย่างนี้มีไปอย่างนี้อลไรนี่ยืนเออมดคืนจนถึงอุดอรบริกรรมภาวนาพร้อม มีละทุกไว่าจ้สงสารวันที่กำพอนาพ่อมมาถึงอุดรได้เป็นชกเป็นสุขภาวานาเนอะอย่างนี้เนอะของไขาของหวานเนอะอันนี้มันเป็นอดีตร่วงมาแล้วละพูดให้เป็นเรื่องคำหนึ่งให้เฉยหดอก